บุกทูแปดสิบสองอุมดซตอิดวาอซุมดตอิดวาอดีตการสองมีนาวเวรีเม่สมนาวเวรเม่แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม ора ДНО БОЛНИЧКО ВОЗИЛО? แล้วคุณต้องเรียกหมอไหมแล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม ชิลเดียูตคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับกุยมาติคุณมีที่อยู่ไหมครับเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ แผนที่เม hey. well, ืองไหมครับเมื่อกี้ยงมยู่เคับยาคุณมีแผนที่เมืองไหมครับเมื่อกี Pepper, ar, claro. ้ย um ังมีอยู่เลยครับยาคมีผน่องไหเมื่อกียังมเลับยาคุณมีแผนเมือไหมรเกม เขามาตรงเวลาไม่ได้ครับเขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบครับ g o t o y patot, o เขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจผมครับ t t u ž e š e da ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ครับ з а ไ о не можеше да дойдеш точно н а в р е м е з ้า о не можеше да дойдеш точно навреме ทำไมคุณหาทางไม่พบครับ з ำไ о не можеше даго н а า д е ш п а т ไมคุณไม่เข้ е ใจเขาครับทำไมค т ณไาทำไมคุณไม่เข้าใจเขาครับทำ о н คุณไม่เข้าใจเขาครับ รผมมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเม์่ผมหาทางไม่พบเพราะว่าไม่ม nah ีแผนที่เมือง Не можев да го најдам патот бидејќи немав карта на градот. Не можев да го најдам патот бидејќи немав карта на градот. Помеј не разбираш. Не можев да го разберам бидејќи музиката беше толку гласна. Не можев да го разберам бидејќи музиката беше толку гласна. ผมต้องนั่งรถแท็กซี่นมถถถถผมต้องซื้อแผนที่เมืองดดผมต้องปิดวิทยุ Јас морав да го исклучам радиото. Јас